ลักษณะนี้เนี่ยนะเป็นการหลอกลวงชนิดหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคนดีเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่ถามว่าคนดีกับคนชั่วเดินเหมือนกันเป๊ะถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบอะไรเป็นความดีความชั่วยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันเลยนะที่เรียกว่าสํารวมเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเอาอะไรเป็นเครื่องแยกแยะว่าดีว่าชั่วแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยนะ พระพิสุพอมาเจออ่านเจอตรงนี้เข้าก็เลยวางตัวหนาเกลียดอกีกก็ผิดอีกนะก็สัมรวมนั่นแหละแต่แก้ไขนะถ้าพระพิสุจะแก้ไขก็แก้ไขที่การตั้งใจที่ยืนสัมรวมนั่งสัมรวมเดินสัมรวมนอนสัมรวมสัมรวมตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยอันนี้ดีแล้วแต่ตั้งจิตให้ถูกนะอย่าไปตั้งจิตเพื่อปรารถนาลาบสการะอย่าไปตั้งจิตคิดว่าอวดโหน้เดินแบบนี้เขาเข า, เรารู้ว่าเราเนี่ยมีดีข้างในวหมืนงงั้นเตะ อววันมีอริยคุณเป็นต้นในภายในอ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นอ่ะแก้ความเห็นอันนั้นซะแก้ความคิดสํารวมนี่ดีแล้วเนี่ยนะแต่ว่าส่วนบุคคลอื่นจะไปซ่องเสพก็ต้องศึกษาว่าศึกษาธรรมะเหล่านี้เป็นต้นให้ดีๆแล้วก็เรียบเคียงถามพักเดียวก็พอรู้แล้วละ่ะอ่ถามรักษาศีลทําไมก็บอกศีลเนี่ยรักษาเพื่อประโยชน์อะไรบางคนเนี่ยนะถ้าบอกว่าเออฉันเนี่ยมีศีล น, นะ แต่ถ้าเขาถามมารักษาศีลเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องศีลดีจริงๆเนี่ยโทสะจะเกิดตามอ่ะทำไมก็ถามเรื่องที่ตัวเองไม่มีนะก็บอกว่าถามอะไรถามได้อย่าไปถามสิ่งที่เขาไม่มีถ้าเขาไม่มีสิ่งใดเนี่ยนะไปถามสิ่งนั้นเช่นเขาไม่มีศรัทธานะไปถามเรื่องศรัทธาเนี่ยได้เสียแน่เขาไม่มีศีลเนี่ยนะไปถามเรื่องศีลเป็นต้นในนี้ก็ลําบากอ่าถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องศีลแล้วนะจะต้องลืมว่าศีลทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่อาวิปัปสสนาเป็นต้นเนี่ย <ๆ S 2> นะ วิปัิสานเพื่อประโยชน์แก่ปีติปราโมทนะถ้ารักษาเพื่อเพื่อเป็นบันไดแห่งโรกุตระธรรมต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศีลวิสุท ธ, ธิ์เพื่อประโยชน์แก่จิตตวิสุท ธ, ธิอันนะถ้าเราจะเรียกแบบคร่าวๆนะเอาแค่เจ็ดคำจะได้ไ ม, ไม่ไม่ยากนักนะศีลวิสุท ธ, ธิ์คือจตุปาริสุท ธ, ธิ์ศีลทั้งหมดเหล่านี้เพื่อจิตตวิสุท ธ, ธิ์เพราะฉะนั้นศีลของพาริยาสาวกทั้งหลายเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุ เป็นไทยคือตันหาและทิฏฐิไม่เข้าไปอาศัยศีลเหล่านี้ที่ท่านรักษาเป็นไปเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นศีลที่ดีเป็นไปเพื่อสัมมาสมาธิอันนี้สัมมาสมาธินี้เรียกว่าจิตตาวิสุทธิจิตตาวิสุทธิเพื่อทิถฐิวิสุทธิทิถฐิวิสุทธิเพื่อกังขาวิตรณะวิสุทธิเหมือนกับทิฏฐิวิสุทธิก็คือเกี่ยวกับเรื่องรูปนามขันหะก็ต้องดูว่า เขารู้รูปนามขันห้าเพื่ออะไรต่อไปเนี่ยนะแล้วก็เล็งถึงประโยชน์อองเขาสนทนาเพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิไหมถ้าพูดกังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยอนุวัตตามอนุวัตตามมค า, ามค า, ายาณทัศนวิสุทธิไหมอ่ามคามคายาณทัศนวิสุทธิเนี่ยอนุวัตตามปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิไหม ปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเนี่ยนะก็อนุวัตตามญาณทัศนวิสุทธิไหมก็ต้องอนุวัตตามลำดับนั้นๆไปเนี่นยนะการเรียนเรื่องศีลก็เป็นเหมือนกับบันไดชั้นที่หนึ่งหรือรถผัดที่หนึ่งนั่นเองเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงว่ารักษากุศลธรรมเหล่านี้เพื่อกุศลธรรมชั้นสูงเพราะว่าศีลทั้งหมดมีลักษณะลักษณะอะไรรองรับกุศลธรรมชั้นสูง ถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยนะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้อย่างไรใช่ไหมกุศลธรรมชั้นสูงในร่วบหมดเลยเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างที่ละอย่างที่ว่านี่มันเหมือนกับรูรั่วนะเหมือนกับตะแกรงรั่วไม่สามารถอยาะว่าแต่นี้เลยน้ํายังใส่ไม่อยู่เลยเขาว่ากันก็บอกว่าถ้าศีลดีเนี่ยนะเป็นเหมือนกับภาชนะที่ดีเพื่อที่จะรองรับอริยคุณชั้นสูงต่อไป นะทีนี้เมื่อกี้นี้ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอกุหนะวัตถุคือวัตถุแห่งการหลอกลวงแล้วก็ขยายตามสับโดยลำดับว่าคำว่าที่เรียกว่าการซ่องเสพปัจจัยเนี่ยนะย้อนตัง้งแต่ต้นโ น, น้นะเอาหน้าหน้าแปดสิบสองมาอธิบายนะคำอธิบายเนี่ย เดินเอาข้อความมาจากหน้า82มา <c oughs> ที่เรียกว่าการส่องเสพปัจจัยคือด้วยกูห a n วัตถุที่บัณฑิตเรียกกันอย่างนี้ว่าการส่องเสพปัจจัยหรือด้วยการส่องเสพปัจจัยที่บัณฑิตกล่าวถึงกันคําว่าด้วยการพูดเรียบเคียงคือด้วยการพูดเฉียดวัตถุที่ประสงค์เหมือนันนะคาว่าซึ่งอิริยาบถก็ดีได้แก่ซึ่งอิริยาบถ ท, ทั้งสีก็ดีการวางค่าอัธปนาได้แก่การวางค่าเข้าไว้ แต่ต้นหรือการวางท่าไว้โดยเอือ้อเฟื้อเนี่ยนะวางท่าตั้งท่าเพื่อให้คนศาธานั่นแหละได้แก่อาการที่วางท่าคาว่าตั้งท่าสํารวมนะสันทปนาได้แก่การแต่งท่าทางอธิบายว่าได้แก่การกระทำให้มีความน่าเลื่อมใสคาว่าภากุติกาแปลว่าการตีสีหน้าโดยการแสดงภาวะของพิษุผู้ตั้งอยู่ในความเพียรเป็นอย่างยิ่งนะ ทำตัวเหมือนนักปฏิบัติจริงๆเลยนะอันที่จริงแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าเพราะเรื่องนี้กำลังคุยถึงเรื่องหลอกลวงอยู่คนที่เพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมแบบนี้เอาไว้กราบว่าอย่างเดียวไม่กล่าวถึงท่านแต่กล่าวถึงลักษณะพวกหลอกลวงทั้งหลายเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไอ้พาตุไอ้พากุติการนี่นะแปลว่าการตีสีหน้า โดยการแสดงภาวะของพิสูพุตั้งอยู่ในความเพียรเป็นอย่างยิ่งอธิบายว่าได้แก่การทำหน้าย่นเหมือนกันทำหน้าย่นแบบคนกํนลาลังเคร่งเครียดในการปฏิบัติมากเลยนะก็เห็นแล้วเรื่อมสายเลยภิกษูชื่อว่าภากุติโกเพราะอาธิว่ามีการตีสีหน้าเป็นปกติภาวะแห่งพิสูพุมีการตีสีหน้าเป็นปกติชื่อว่าพากุติยัง แปลว่าภาวะแห่งบุคคลผู้ตีสีหน้าเป็นปกติเขาบอกั้นก็บอกว่าภิกษุบางรูปเนี่ยนะที่เป็นผู้หลอกลวงเนี่ยบางองค์เขามีทูตท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเป็นนักสแสดงยิ่งกว่านักแสดงอย่างเขาบอกนเปานนักสแสดงก็จะแต่แตงแต่งท่าตอนที่สแสดงในชะ่ไหมอันนี้สามารถแต่งท่าหลอกลวงได้เป็นปีเปียะเนี่ยนะแล้วก็อีกนานเมื่อกันนะักว่าคนจะรู้ได้เนี่ย คำว่าการหลอกลวงได้แก่การทำให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนความประพฤติของบุคคลผู้หลอกลวงชื่อว่ากุหายนาภาวะแห่งบุคคลผู้หลอกลวงชื่อว่ากุหิตตัตงชนีแหลอันนี้คือท่านอธิบายสั้นให้ให้ดูนะว่าจะได้แปลถูกนั่นเองอทั้งหมดนี้ชื่อว่าไอบาประธรรมประเภทที่หนึ่งประเภทกุหนาหรือที่เรียกว่าหลอกลวงเนี่ยนะ เกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงนี้มีใครเพิ่มเติมไหมอ๋อมีอยู่แล้วก็บางองเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเลยเนี่ยมันนั่งอ่ะจะอยากจะนั่งให้พระพุทธเจ้าถามถ้าพระพุทธเจ้าถามคนจะได้นับถืออ่ะบางองค์ยังคิดแบบนี้เลยนะสมัยพุทธเจ้าอ่ะเขาบอกถ้าพระพุทธเจ้าไม่ถามนี่รู้สึกไม่สบายใจแล้วอยากให้พระพุทธเจ้าเวลาเทศเนี่ยนะถามเราแล้วเทศอ่ะบางองค์นี่คิดแบบนี้เหมือนกัน โอ้อาุศส น, นี่มันเกิดแล้วมันน่าเกลียดทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละนะเจนพรบาปเนี่ยมันเกิดทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเขาบอกว่าจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศสนมันเหมือนกับจิตที่เป็นแผลนั่นแหละมันแผลเป็นเนี่ยแผลเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกคนทุกแห่งนั่นแหละทุกที่ะนะย้อนไปในหน้าเจ็ดสิบแปดใหม่นะพอเมื่อกี้นี่กล่าวถึง กุ hana เลยใช่ไหมแต่นี่มาขึ้นลับปนาบ้างในย่อหน้าสุดท้ายข้างล่างเลยนะอันนี้เรียกว่าพูดถึงอาลปนาเรียว่ายกยอไนงะยกยอเนี่ยโหปลาเล็กๆเสร็จหมดแล้นะแล้วแต่ยอถ้ายอใหญ่หน่อยก็ปลาเยอะหน่อยเนะี่ยเขาก็อ่อยวางเหยือก่อนนะเขายกยอเขาวางเหยื่อไว้ข้างล่างนี่มันก็มีพวกตะแกงยกทีเนี่ยโหปลาเนี่ยนเป็นกิโลเลยแหละ อันนี้ก็เหมือนกันถ้ายกยอแบบนี้เมื่อไรเนี่ยเนี่ยโอ้ปัจจัย4ี่จีวรบินท บ, บาทเนี่ยโอ้โหติดมาเป็นทวนเลยนะถามว่าในบาปธรรมทั้งหลายเหล่านั้นการพูดยกยอเป็นไงตอบว่าการพูดทักหรือการพูดเสนอตนพูดทักก็คือพูดเสนอตนเข้าไปการพูดยกยอเรียกว่าอุลปนาสารปนา ก, ก็คือการพูดเอาใจการพูดโอ้อวด การพูดโอ้อวดเสียหนักหนาการพูดผูกมัดการพูดผูกมัดเสียหนักหนาการพูดสารเสริญการพูดสารเสริญบ่อยๆความเป็นผู้พูดประจบความเป็นผู้ใครท่ทำตัวต่ำความเป็นผู้มีวาจาเสมือนแกงถั่วความเป็นผู้รับเลี้ยงเด็กต่อชนเหล่าอื่นอันใดแห่งที่สูผู้มุ่งลาบสักการะและความมีชื่อเสียง มีความป่าถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี่เรียกว่าลับปนาอนะอันนี้เขาเรียกว่ายกยอนี่นะนี่วิธีการยกยอน <c oughs> แต่ละอย่างนี้มีดีเนาะก็อบอกว่าดูคำอธิบายเลยนะ คำอธิบายอยู่ในหน้า92นะเมื่อกี้เนี่ยไปดูคำอธิบายก่อนในหน้า92ถึงทิงซาวินิจฉัยในลับปนานิเทศต่อไปเนี่ยนะที่พูดถึงเรื่องการพูดยกยอเนี่ยนะอารัปนาการพูดทักได้แก่การที่คนการที่เห็นคนทั้งหลายมาสู่วิหารแล้วจึงพูดเสียก่อนทีเดียวนะวิธีพูดยกยอนะก็พูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมาเพื่อประโยชน์อะไรหรือ มาเพื่อนิมนต์พระภิกษุพวกภิกษุหรือถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเถอะอาตมาจะพาพวกภิกษุตามหลังไปนะการทำเป็นรู้ใจยโยมไปสมัมหมดเลยนะอีกอย่างหนึ่งการที่ภิกษุแนะนําตนพูดชักเข้าหาตนอย่างนี้ว่าอาตมาชื่อติดสะพระราชาเลื่อมใสในอาตมาเหมงอนกันคือแนะนําลูกศิษย์เลยนะอาตมาชื่ออะไรก็บอกชื่อไปก่อนแล้วก็แนะนําลูกศิษย์เลย ว่าโอ้พระราชาก็เป็นเลื่อมสายนะแล้วเลื่อมสายก็แปลว่าพระราชาเป็นลูกศิษย์อาตมานะอย่างนั้นราชามาหาอมาต์คนโน้นและคนโน้นก็เลื่อมสายในอาตมาโอ้พวกโน้นลูกศิษย์ทั้งนั้นแหละอย่างนั้นดังนี้เชื่อว่าอารัปปนาพูดเสนอตนหรือว่าพูดแนะ น, นําตนเนีน่ยนะแนะนําตัวก่อนว่าภัยเป็นภัยนะอิสานอย่บบา ง, งั้นแบบบทว่า ลปนาว่ากันการพูดโอ้อวดได้แก่การพูดอันมีประการตามที่กล่าวแล้วนั่นเองของภิกษุผู้ถูกเขาถามอยู่บทว่าสารปนาการพูดเอาใจได้แก่การที่ภิกษุผู้กลัวความแหน่งน่ายพยายามพูดให้โอกาสแก่พวกฤาดีทั้งหลายสีอย่างดีเลยนะพูดให้โอกาสแก่เขาหน้าดูเลยนะบทว่าอลุลปนาการพูดยกยอ ได้แก่การพูดยกให้สูงขึ้นไปอย่างนี้ว่าท่านกุดุมพียยนะเรียกเลยนะมหาอุบาสกอย่างเงี้ยเรียกโอเรียกยกอ่ะนะก็บอกถ้ายิ่งยกยอมากมันก็ติดมาสูงอ่ะนะท่านนายเรือใหญ่ท่านทานบดีใหญ่อย่างเงี้ยนะก็ยกให้เขาใหญ่ๆ่ไปหมดเลยนะที่เรียกว่ามหากุดุมพีนะโดยสับมาว่างั้นกต่ว่ามหากุดุมพีนะ มหานาวิโกมหานาวิกกันนะมหาทานบาดีทานบาดีก็คือผู้ให้นะเขาเรียว่าผู้ให้แบบใหญ่เลยวังกันในนี้เขาเรียกว่าพูดยกยอเขาแล้วก็บทว่าสมุรปนาการพูดยกยอเสียหนักหนาได้แก่การพูดทําให้เขาสูงไปเสียทุกอย่างเลยนะโยเขาหมดนี่ทำไม่ได้โยมเนี่ยมาอยู่ไม่ได้นะเนี่ยพูดอย่างนี้มากๆลักษณะนี้เรียกยกยอเขาวังกัน บทว่าอุหนาการพูดผูกมัดได้แก่การพูดผูกมัดให้หนักยิ่ ง, งขึ้นไปอย่างนี้ว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในการก่อนเช่นนี้พวกท่านย่อมถวายนวทานม่ใช่หรือนวานี่แปลว่าของใหม่นะอ้าเวลานี้มันเวลาลำยัยไม่ใช่หรือช่วงนี้เนี่ยเขาถวายลำยัยกันแล้วนะน <c oughs> ไม่พูดได้ไม่เข้ายุกหน่อยว่า <c oughs> ไม่เป็นไรเอามาก็ไม่ค่อยฉันอยู่แล้ว เขบอกว่าฉันมากร้อนในเพางั้นเฮ้ยไม่พูดยกกุการกถวายอยู่แล้วนั่นยังยกใหม่อีกนะ <c oughs> มีวิธียกพิเศษอีกนเนี้ยแบบเดิมอีกเขาบอกว่ามาบัดนี้พวกท่านจะไม่ถวายหรือเขาบอกงั้นนวะก็คือพวกของใหม่ๆอ่ะนะนี่ช่วงยุคนี้เข้าเมานะช่วงนี้มันมะพร้าวนะช่วงนี้ก็จะพูดพัลนาไปเรื่อยใช่ไหมโยมก็เออชาชายชายชายเซตอีกพระอิมิก ดังนี้ไปจนกระทั่งเขาพูดว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพวกข้าพเจ้าจักถวายแต่ยังไม่ได้โอกาสนะพูดไปพูดมาเรื่อยโยมยนอดรนทนไม่ได้ผมจะคิดจะทํามุนอยู่เหมือนกัน น, นะนะแต่ว่านี่ก็ยังไม่ได้โอกาสคิดว่าหาโอกาสก่อนก็ดูนาฬิกาหน่อยจะ ไ, ได้หาเวลาถูกก็ว่าไปนั่นแหละอธิบายว่าเป็นการพูดผูกมัดนะนะผูกมัดกันอีกอย่างหนึ่งเห็นเขามีมือถืออ้อยก็จึงถามว่าดูก่อนอุบาศก ท่านนําอ้อยมาจากไหนเ น, นะก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาถืออ้ยอย น, นะท่านนํามาจากไหนก็พอเขาตอบว่านํามาจากไร่พระคุณเจ้าก็ถามต่อไปว่าเอออ้อยที่ไร่นะหวานหรือเอ้อยเนี่ยหวานหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าเที่ยวดูจึงจักรู้พระคุณเจ้าภิกษุจึงกล่าวว่าแน่อุบาสก อ, อุบาสิกาทั้งหลายการที่ภิกษุจะพูดว่าท่านทั้งหลายจงถวายอ้อยนะไม่สมควรไม่ใช่หรื อ, อ น, นะเออพระพูดให้ประเคนได้เลย พระพูดให้ถวายได้เลยนะอุตษาเรียบมาตั้งนานแล้วดังนี้แหละนี่คือคำพูดผูกมัดแม้ของพิกษุผู้กล่าวแก้อยู่เช่นนี้อันใดเนี่ยนะคือลักษณะวิธีการพูดคล้ายคลึงในลักษณะนี้นะ่ะเรียกว่าการพูดผูดผกมัดคำว่างั้นคำพูดนั้นชื่อว่าอุห น, นาการพูดผูกมัดซ้ําๆำซัก ซ, กซกัทุกท่าทุกทางไปชื่อว่า สมุนนาหนาพูดผูกมัดเสียหนักหนาว่ากันโอ้ยหาวิธีการพูดสรุปแล้วพูดต้องบริจราคว่ากันเถะบทว่าโอ ก, กาปนาการพูดคาดหรือการพูดดักถามว่าการพูดเพราะการตั้งความมุ่งหมายขึ้นอย่างนี้ว่าตระกูลนี้จะรู้จักเราะนะตระกูลนี้จะรู้จักแต่เราเท่านั้น ถ้าหากว่าทายธรรมเกิดขึ้นในตระกูลนี้ิสัยเขาจะให้แก่เราเท่านั้นดังนี้ชื่อว่าอุ ก, กาปนานะก็คือโอ้ยอามาอยู่กับพาอตระกูลนี่แหละ้าตระกูลนี่ไม่ถวายก็ไม่รู้จะให้ใครถวายนะเพราะฉะนั้นอะไรๆเกิดขึ้นก็ยังว่าอะไรนะนะ <c oughs> เป็ดอีกอธิบายว่าเป็นการพูดที่มีการพูดยกเรื่องขึ้นแสดงนะ เขาบอกว่าเขามีวิธีการพูดที่ยกอุทาหอนยกอะไรต่างๆมาเพื่อจะเรียบเคียงให้เขาถวายเนี่ยนะก็ในเรื่องนี้บัณฑิตควรเล่าเรื่องของนางเตละกันริกาประกอบไว้นี่ไม่รู้ว่เรื่องเป็นยังไงส่วนการพูดคาดซ้ำซ้ำซักซาไปเสียทุกอย่างนี่ชื่อว่าสมุกาปนาการพูดคาดเสียหนักหนาบทว่าอนุปิยภาณิตาความเป็นผู้พูดประจก ได้แก่การพูดพร่ำพูดพร่ำซ้ำซากให้เขารักไปท่าเดียวหาเหลียวหาแลเหลียวว่าควรแก่สัจจะหรือควรแก่ธรรมะไม่เนี่ยนะไม่ได้อิงอริยสัจอิงธรรมะธรรมโมอะไรสักอย่างเลยบทว่าจาตุ ก, กรรมัยยตาความเป็นผู้คร่จะทำตัวต่ำได้แก่ความเป็นผู้ประพฤติตนต่ำคือมีความประพฤติวางตนเอาไวในฐานะต่าต้อยบทว่ามุขสูปตาแก้เป็น มุขสูปะสถิสตาความเป็นผู้มีวาจาเสมือนแกงถั่วยังไงบอกเหมือนอย่างว่าในถั่วที่เขาต้มอยู่ถั่วบางเม็ดเท่านั้นไม่สุกที่เหลือสุกฉันใดในคำพูดของบุคคลใดมีบางคำเท่านั้นเป็นคำจริงที่เหลือเป็นคำพูดเลอะแหละฉะ น, นั้นบุคคล น, นี้ท่านเรียกว่ามุขสูปะภาวะแห่งมุขสูปะชื่อว่า มุขสูปตาเนี่ยนะพูดมีวาจาเหมือนแกงถัว่วเนี่ยนะก็เรียกว่าพูดไปเนี่ยที่จริงมีหน่อยเดียวอนะที่เหลือเนี่ยโอ้เท็จทั้งนั้นแหละแต่อย่าลืมว่าคําพูดเหล่านี้เพื่ออะไรปัจจัยสี่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเจนพานนะยกมาสแสดงค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเป็นฐานเป็นเบื้องต้นหานะแห่งการปฏิบัติธรรมอ่ะประมุขแห่งการปฏิบัติธรรมอยู่ที่เหล่านี้ทั้งหมดเลย คือเ า, อาวาจาเหล่านี้มันเป็นมิจฉาวาจาเนี่ยนะเป็นถ้าวาจาแบบนี้เขาเรียกว่าสัมผัสปลาปะวาจาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะบทว่าปาริพัยตยาแก้เป็นปาริพัตยภาโวโรงานเลี้ยงเด็กเนี่ยนะเขบอกว่าความว่าก็บุคคลไรเลี้ยงดูคืออบอุ้มทารกในสกุลทั้งหลายด้วยสเอลบ้างให้ขี่คอบ้างเหมือนหญิงพี่เลี้ยง การงานของบุคคลผู้เลี้ยงดูนั้นชื่อว่าปาริาพัทยังภาวะแห่งปาริพัตยะชื่อว่าปาริพัตยะตาดังนี้แหลเนี่ย น, ะ น, นีก็น่าดูไงรับเลี้ยงเด็กเลยนะคือแก้เป็นนี่หมายถึงลักษณะของในบาลีเนี่ยสับแบบนี้ถ้าแปลตรงๆสับอัถาก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นหลักการแปลก็เขาจะเพิ่มสับให้นะ เพิ่มสับให้ว่าควรใช้แบบนี้เป็นคำภีแก้คำภีเองไม่ใช่มันหนังสือพิมพ์ผิดน ะ, ะสมมุติว่าเหมือนกับคําพูดยุคนี้เขาใช้สัพท์แบบนี้นะถ้าเป็นยุคลงัลงหลัก็ต้องเพิ่มคําอีกคำหนึ่งจึงจะเข้าใจความหมายที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นว่าคำพีเนี่ยพุทธภาษาลิบุตรสแสดงหรือพระพุทธพจน์แสดงไว้เมื่อพศต้นๆ น, นู่นใช่ไหมก่อนพศ อ, อ, อีกทีนี้มายุคหลงัลงๆมาเนี่ยสับเหล่านี้เข้าใจเริ่มคนนี่เริ่มเข้าใจคลาดเคลื่อนละ ท่านก็จะเริ่มเพิ่มให้เห็นว่าความหมายจริงๆเนี่ยรักษาเนื้อความเดิมมาไว้ก็จะใช้สับให้ให้คงกับเนื้อความไว้เขาก็จะแก้เป็นคัมภี์แก้คำภีเองเนี่ยนะคือบอกวิธีการแปลให้อ่าบอกวิธีการแปลสัพท์ให้เพราะเดี๋ยวเราเห็นพุทธพจน์แบบนั้นแล้วจะแปลผิดอันนี้ก็จะก่อความเสียหายให้เพราะฉะนั้นเห็นถ้าอ่านพระไตรปิฎกนี่ยจะเห็นว่าศัพ์นี้แก้เป็นศัพท์นี้ตัดบทว่าพวกนี้เป็นต้นเนี่ยคือบอกวิธีการแปลพุทธพจน์ให้ เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะแปลเป็นอื่นไปนะกล้หมดเวลาแล้วถคามีอะไรส่วนาการหลอกลวงนัยยะต่อไปก็คงเป็นวันพรุ่งนี้นะ